วันนี้วันศุกร์ไมโยมไม่ทำมาหากินฆราวาสมีหน้าที่ทำมาหากินนะงั้นเราอย่าลืมงานหลักเรางานหนึ่งที่อยู่ในโลกก็มีหน้าที่แต่ละคนนะพระก็มีหน้าที่ของพระโยมก็มีหน้าที่ของโยมหน้าที่ของพระไม่ใช่ทำรรมาหากินหน้าที่ของพระก็คือต้องศึกษาธรรมะ ปฏิบัติให้เข้าใจแล้วก็มาบอกต่อหน้าที่โยมก็คือทำรรมาหากินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงสามีบางคนต้องเลี้ยงสามีแล้วก็ศึกษาธรรมะโยมก็ต้องศึกษาธรรมะนะเพราะว่าชาวพุทธทุกคนมีหน้าที่ศึกษาธรรมะไม่ศึกษาไม่ได้ถ้าไม่ศึกษาธรรมะก็คือไม่ใช่ชาวพุทธการศึกษาธรรมะก็มีศึกษา ในภาคปริยัตยิปริยัตยิก็คือการฟังการอ่านการฟังรับถ่ายทอดความรู้มาจากคนอื่นปฏิบัติก็ลงมือเรียนรู้ตัวเองปฏิเวทก็คือเข้าใจตัวเองเกิดความรู้ด้วยตัวเองงั้นงานจริงๆก็คืองานเรียนบทเรียน3าบทนะชื่อศีลสิกขาเรียนเรื่องศีลทําไงจิตใจเราจะเป็นปกติไม่ถูกกิเลส ตัวยยาบครับงำเรียนเรื่องจิตทำไงจิตเราจะตั้งมั่นควรแก่การงานในการเจริญวิปั ส, สนาเรียนเรื่องปัญญาคือวิธีเจริญวิปั ส, สนาเนี่ยถ้าเราเจริญในศีลศีลศิขาจิตศิขาดปัญญาศิขาวันหนึ่งอริยมรรคจะเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าท่านก็เทียบบอกเหมือนคนทำนาชาวนาทำนาไปหน้าที่ของชาวนาก็คือไปไถนา ไปหวานข้าวแล้วก็เอาน้ำข้าวนาน้ำน้อยก็เอาน้ำข้าน้ำมากก็เอาน้ำออกถึงวันหนึ่งข้าวก็ออกรวงเองต้นข้าวมีหน้าที่ออกรวงชาวนาไม่มีหน้าที่ทำให้ข้าวออกออกไม่ได้ออกแทนต้นข้าวไม่ได้ชาวนาทำสิ่งที่เอื้อมหนวยแล้วก็ข้าวออกรวง เราก็ทําสิ่งที่เอื้ออํานวยนะ ว, ว่าหนึ่งจิตบรรลุมรรคผลท่านสอนนะไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลได้หรอกจิตบรรลุเองอันนี้หลวงพ่อพูดอย่างนี้มานานแล้วนะสักยี่สิปีแล้วพูดบอกว่าจิตมันบรรลุเองนะไม่มีใครทําให้บรรลุได้หรอกนี่ครูบาอาไปเจอพระสูตรเพิ่งเจอไม่กี่วันเนี่ยโอ้ตรงกันคือถ้าเราไปสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตเก็เป็นอัตตาสิ ในความเป็นจริงจิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้หรอกแต่เราทําเหตุทําเหตุเรื่อยๆอย่าว่าแต่จะบรรลุมรรคผลเลยสั่งให้สติเกิดสักแว บ, บหนึ่งยังสั่งไม่ได้เลยสติที่เที่ยวกําหนดกําหนดให้เกิดไม่ใช่สติของจริงหรอกกําหนดแปลว่ากดกําหนดเป็นภาษาเขมรนะแปลว่ากดไปกดไว้ไปข่มไว้มันก็คืออาตาัตตะกิลมฐานิโยกสุดโตงไปข้างบังคับใช้ไม่ได้หรอก แต่ถ้ามีเหตุสติถึงจะเกิดนะหรือกิเลสเหมือนกันเราจะไปสั่งมันไม่ให้เกิดไม่ได้หรอกกิเลสไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับของเราถ้ามีเหตุกิเลสก็เกิดถ้าไม่มีเหตุกิเลสก็ไม่เกิดนะอย่างความโกรธเนี่ยจะเกิดได้เราต้องมีอนุสัยขี้โมโหอยู่ก่อนนะมีสันดานขี้โมโหอนะไรเงีนะ้ยเราไปกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจนะจิตมันตัดสินว่าเนี่ยไม่ดีไม่ถูกอย่านงะี้กโกรธขึ้นมา ถ้าไม่มีอนุสัยขี้มโมโหนะถูกก็ด่ามาสามวันยังไม่โกรธเลยถ้าอนุสัยขี้มโมโหแรงเขามองหน้าก็โกรธละหรือมีอนุสัยขี้มโมโหแต่ผัสสะมันดีดีมีแต่คนรเอาใจนะก็ไม่โมโหสิหรือมีคนขัดใจแต่ไม่ได้คิดลืมคิดไปก็ไม่โกรธใช่ไหมเงื่อนไขมีหลายตัวอย่างเราขับรถอยู่คนมันปาดหน้าเรา กำลังใจรอยหรือกําลังฟังซีดีหลวงพ่ออยู่กำลังเผลอๆไปนะไม่ได้สนใจว่าเขาขับรถปาดหน้าไม่ได้คิดนะก็ไม่โกรธสิลอาคิดซะหน่อยนะตัดสินซะหน่อยว่าไม่ดีถึงจะโกรธหรือตัดสินว่ามันดีแล้วถึงจะรักมันในสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่เกิดลอยๆไม่มีอะไรฟรีๆด้วยนะทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งหมดเลยฉะนั้นชาวพุทธจะอุดมไปด้วยเหตุผล แต่ชาพุทธตัวปลอมจะไม่มีเหตุผลเช่นคิดว่าไหวเทวดาองค์นี้แล้วจะรวยไม่รวยหรอกไหว้เทวดาไม่รวยหรอกอยากรวยก็ต้องทํามาหากินรู้จักใช้ชีวิตพอหมอะพอสมรู้จักคบคนที่ดีๆรู้จักเก็บรักษาทรัพย์สมบัติอะไรเงี้ยรู้จักลงทุนในเหตุกับผลต้องตรงกันนะอยากได้มรรคผลนิพพานก็ต้องทําเหตุที่จะทําให้เกิดมรรคผลนิพพาน ศีลอะไรเราไม่มีนะศีลอะไรที่เราด่างพร้อยนะสำรวมระวังแต่ละคนทำผิดศีลได้นะแต่ละคนต้องเคยทำผิดศีลมาแล้วแต่ทำแล้วก็แล้วกันอย่าไปทำอีกอดีตจบไปแล้วไม่เอาเอาปัจจุบันตั้งอกตั้งใจให้ดีสมาทานสำรวมมันนะไม่ทำผิดซ้าอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วเคยมีคนหนึ่งทำบ่อ ก, กุ้งเลี้ยงกุ้ง ใจิตใจเศร้าหมองนะมาเรียนธรรมะเรียนไม่รู้เรื่องหรอกพอเรียนธรรมะที่ไรก็คิดว่าเราไม่สมควรเกี่ยธรรมะเพราะเราเลี้ยงกุ้งหลวงพ่อเลยบอกว่าให้เขาแบ่งชีวิตเขาเป็นช่วงเล็กๆขณะนี้ไปจับกุ้งเนี่ยบาปแน่ๆแล้วขณะอื่นไม่ได้ไปจับกุ้งเนี่ขณะอื่นก็ทกําคุณงามความดีนั่นงั้นแบ่งชีวิตเราเป็นช่วงเล็กๆช่วงไหนทําผิดไปแล้วนะก็แล้วไป หาทางหลีกเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปอย่าไปทําทําแล้วถ้าต้องทำนะก็ต้องมีผลต้องมีวิบากแน่นอนแต่ไม่ใช่ว่าเคยฆ่าคนมาหนึ่งคนแล้วจะต้องภาวนาไม่ได้ไม่ใช่ในขณะนี้ไม่ได้ฆ่าอย่ยว่าแต่พวกเราเลยนะพระโอกลีมานฆ่าคนตั้งพันใช่ไหมแต่ในขณะที่ท่านปฏิบัติทำท่านไม่ได้ฆ่า องค์คุลิมานที่ฆ่าคนกับองค์คุลิมานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยคนละคนกันคนละวาระกันรูปธปรรมก็เปลี่ยนไปนามธรรมาก็เปลี่ยนไปเปลือกหรือรูปร่างหน้าตาคล้ายๆเดิมแต่รูปธรรมนามธรรมาเนี่ยได้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วแต่ทำแล้วมีผลไหมที่ไปทํำบาปไว้ก็มีผลนะไม่ใช่ไม่มีผลท่านเป็นพระอราหันต์เสก่อนไม่ต้องไปตกนรก แต่ท่านไปที่ไหนคนเอาก้อนหินกว้างท่านไล่ตีท่านยอาคุศลมันมีไม่ใช่ว่าไอคนที่ท่านฆ่าจะต้องมาตีท่านนะคนละเรื่องชาวพุทธอย่าไปคิดอย่างนั้นญาติพี่น้องเขาเจ็บแค้นเขาก็มาเตียวรับผลกรรมนี่ท่านก็รู้ปัจจุบันนะท่านก็พ้นไปได้ เงินศีลถ้าเราพลาดพลั้งไปแล้วประมาทพลาดพลั้งไปแล้วก็สํารวมสํารวมระวังว่าจะไม่ทําอีกไม่พลาดอีกแล้วก็อย่าไปคิดซ้ํอาอกุศลใดที่ทําไปแล้วแล้วเราคิดซ้ํานะจิตมันจะขึ้นวิถีของอกุศล น, นั้นใหม่อย่างเราเคยบี้มดหนึ่งตัวเราคิดวาละพันครั้งก็คือบี้พันตัวนะเคยให้ทานสบาทสองสลึงอะไรอย่างนี้คิดทุกวันเลยคิดว่าละร้อยครั้ง ก็ได้คูณเท่าไหร่นะคิดคิดแล้วจิตใจเบิกบานแต่ถ้าคิดว่าเอ้าคิดบ่อยๆแล้วยิ่งได้บุญเยอะนี่โลภเกิดละอันนี้คิดแล้วไม่ได้นะโลภะเกิดละเนี่ยก็รู้จักนะต้องฉลาดฉลาดในการดํารงชีวิตเราก็จะรักษาศีลได้ไม่ยากเท่าไหร่ยิ่งถ้าเราฝึกสตินะนี่เกิดศีลอัตโนมัติถ้าเรามีสติมากๆ ศีลอัตโนมัติเนี่ยไม่ต้องสำรวมมันเกิดเองเขาเรียกว่าอินเซียสังวรศีลตากระทบรูปนี่เห็นคนนี้แล้วอยากเป็นชู้กับเขานี่ยสติรู้ทันปับ๊บไม่เป็นชู้กับเขาหูกระทบเสียงเขาดา่าอยากจะฆ่ามันละรู้ทันอยากฆ่าละไม่ไปฆ่าเขานี่ศีลมันเกิดเองเพราะกิเลสมันครอบงำจิตไม่ได้นี่เรียกว่าอินทียสังวรศีล อีกอันหนึ่งเป็นเรียกว่าอริยการตศีน์สีลที่พระอริยชมเฉยศีลทั่วๆไปนะมีศีลห้าสีลแปดสีล2องยี่สิดใช่ไหมสีลของภิกษุณีมีสามรอยกว่าอย่างอินทรียสีสังวรศีมีหกคือสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจอริยกันตศีนมีหนึ่งสีลที่พระอริยชมเฉยคือสภาวะที่จิตเป็นปกติ แล้วเราค่อยฝึกนะต่อไปจิตแล้วเป็นปกติไม่ถูกกิเลสครอบงำค่อยฝึกไปศีลมันก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆไม่ต้องเรียนเรียนไปเรียนทีแรกก็แบบสำรวมระวังเราตั้งใจไว้ก่อนว่าไม่ผิดศีลห้าต่อมาจเจริญสติมากขึ้นมากขึ้นมันก็เกิดอินทรียสังวรศีลต่อไปเกิด น, นะมรรคนิพานขึ้นมานะเป็นศีลที่สมบูรณ์แบบนะศีลอัตโนมัตินี่เรียนเรื่องศีลแล้วก็มาเรียนเรื่องจิต ต้องเรียนเรื่องจิตหลายคนมีวาทะหลายคนมีทิฏฐิว่าจะไม่เรียนเรื่องจิตจิตเป็นของยากจะเอาไว้เรียนทีหลังต้องเรียนเรื่องกายก่อนลืมไปว่าบทเรียนที่สองที่ชาวพุทธต้องเรียนชื่อว่าจิตสิกขาเราต้องเรียนเรื่องจิตตัวเองต้องรู้ว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลจิตชนิดไหนเป็นอกุศลถ้าไม่รู้นะใช้ไม่ได้นะ ต้องรู้ว่าจิตชนิดไหนใช้ทําสมถะจิตชนิดไหนใช้ทํำมิปัสสนาต้องรู้มิฉะนั้นเราจะหลงเอาจิตที่เป็นอกุศลหรือไปสร้างจิตอกุศลขึ้นมาแล้วคิดว่าปฏิบัติทำอยู่เพราะเราเป็นเยอะนะผู้ปฏิบัติที่ไม่ได้ศึกษาจิตใจเนะี่ยยกตัวอย่างเราอยากปฏิบัติปุ๊บเรากําหนดปับ๊บใจเราแน่นๆขึ้นมาหรือเราดูกําหนดลมหายใจปุ๊บใจก็แข็งแข็งขึ้นมากําหนดท้องพองยุกใจก็แน่นแน่นขึ้นมาแน่น กำหนดเท้ากำหนดมืออะไรใจก็แน่นๆขึ้นมาถ้าเราเรียนเรื่องจิตให้ถ่องแท้เราจะรู้เลยจิตที่หนักจิตที่แน่นจิตที่แข็งจิตที่ซึมจิตที่ทื่อนี้คืออคุศุรจิตทำไมอยากปฏิบัติทำแล้วเกิดอคูศุรจิตทําผิดนะสิโลภะมันเกิดซะก่อนแล้วอยากปฏิบัตินะัโลภะเกิดแล้วทันทีที่ลงมือปฏิบัตินะสิ่งที่ทำเนี่ยไม่มีอะไรมากกว่าอัตตะกิลมัฐานุโยคคือการบังคับตัวเอง นึกออกไหมเวลาเราลงมือปฏิบัติเราจะบังคับตัวเองเช่นเราหายใจมาตั้งแต่เด็กนะไม่เหนื่อยนะพอเราคิดเรื่องกําหนดลมหายใจนะลมหายใจนี่ทำความเหนื่อยให้เรามากเลยท้องเราพองท้องเรายุบมาตั้งแต่เกิดนะไม่เป็นไ ร, รามากําหนดแล้วแน่นๆขึ้นมาเราเดินช้อปปิ้งแล้วหลายชั่วโมงไม่เป็นไรใช่ไหมเดินจงกรมไม่ได้จะยอกไปทั้งตัวแล้วจะเคล็ดขัดยอกไม่เดินผิดท่าไปดัดแปลงมัน นี่ถ้ารู้ทันนะมันมันไม่ใช่ในพระพิธรรมสอนไว้อันหนึง่งบอกว่ากิเลสเนี่ยเป็นสหาชาตปัจจัยของกรรมกิเลสเป็นตัวทาให้เกิดการกระทากรรมก็จริงนะแต่ในขณะที่กระทำกรรมด้วยอำนาจของกิเลสกิเลสจะยังอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากปฏิบัติทำแล้วเราลงมือปฏิบัติเนี่ยในขณะที่ลงมือปฏิบัติตลอดสายนั้นความอยากก็จะยังอยู่เมื่อจิตถูก อกุศลครอบงํำอยู่สติตัวจริงจะไม่เกิดขึ้นเพราะสติจะเกิดร่วมกับอกุศลไม่ได้เด็ดขาดเลยงั้นที่พวกเราภาวนาแล้วเครียดภาวนาแล้วเครดขัดยอกคอแข็งหลังแข็งภาวนาแล้วเป็นบ้าเป็นหลังอะไรนี้เพราะว่าทําผิดไม่เรียนให้ดีซะก่อนไปหลงสร้างอากุศลแล้วคิดว่ากําลังจเจริญกุศลอยู่แต่ถ้าจิตเป็นกุศลที่แท้จริงเนะี่จิตจะอ่อนโยน จิตจะนุ่มนวลจิตจะเบาคล่องแคล่วว่องไวจิตจะไม่มีกิเลสนิวรักดันครอบงําให้ปฏิบัติจิตจะรู้อารมณ์อย่างซื่ อ, อรู้อย่างซื่อตรงไม่แทรกแซงแทรกแซงเกิดจากกิเลสทั้งสิ้นเลยนะเช่นเห็นราคาแล้วไม่ชอบมันเห็นความสงบสงัดในใจแล้วชอบมันนี่กิเลแสแทรกแล้วมีกิเลสขึ้นมาพยายามผลักดันมันมีกุศลขึ้นมาพยายามรักษามันไว้ น, นี่แทรกแซงแล้ว จิต ท, ที่เดินวิปัสสนาจริงๆยังไม่ใช่เป็นอย่างนั้นถ้าเมื่อไรเราภาวนาแล้วจิตเราหนักๆขึ้นมาทําผิดละภาวนาแล้วจิตเราแน่นๆแข็งๆทําผิดละถ้ามันหนักก็ไม่ใช่ระหูตาไม่เบาถ้ามันแน่นก็ไม่ใช่มูทุตาไม่นุ่มหน่วนถ้ามันทื่อๆภาวนาแล้วก็ทื่อๆนะคล้ายๆซอมบี้รู้จักไหมซอมบี้เด็กรุ่นนี้จะรู้จักไหม เหมือนแฟรงเกนสไตล์อะไรอย่างนี้นะตัวแข็งๆพอนาแล้วทำอะไรก็แข็งๆไ ม, ไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ปลัดเปลียวไม่ว่องไวไม่มีปาคุณตาเสื่องซึมเสื่อง ๆ, ๆจิตที่เสื่องๆอาคุศรจิตแล้วก็อุชุกตาคือเสื่อตรงในการรู้ไม่เข้าไปแทรกแสงสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่ น่จิตจะต้องดูให้ดีนะว่าจิตเราเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแนะ่แล้วกุศลบางอย่างใช้ทาสมถะกุศลบางอย่างใช้ทำวิปัสสนาจิตที่ใช้ทำวิปัสสนาเนี่ยเป็นจิตที่เป็นกุศลนะมีความเบามีความอ่อนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวอะไรเงี้ยรู้อารมณ์มันเดียวเจตนารู้เจตนารู้ไม่ว่า ส, สังขาริกังเจตนารู้ัน เช่นเราอยากให้ใจสงบนะเราก็เจตนาไปรู้ลมหายใจไปรู้ท้องพองยุบไปรู้ยกเท้าย่างเท้าเจตนารู้นะแต่จิตที่เดินมิปัสสน า, านี่มันรู้ขึ้นเองเรียกอาจังขาลิกังนี่หลวงพ่อแยกมาจากการปฏิบัติหลวงพ่อพบว่าจิตที่เดินมิปัสสนาได้จริงเนี่ยต้องไม่จงใจให้เกิดถ้าจงใจให้เกิดนะจิตดวงนั้นยังไม่มีคุณภาพทื่อๆทื่อไปหน่อย ถ้าเราต้องทำเหตุให้เกิดสติคือหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆ เ, เพราะสติเกิดเองเนี่ยจิตตรงนี้จะมีคุณภาพสูงกุศลหรืออกุศลใดๆก็ตามนะจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเกิดขึ้นโดยที่ต้องจูงใจให้เกิดเป็นกุศลหรืออกุศลที่มีกำลังอ่อนแต่จิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่เกิดขึ้นเองนะโดยไม่ต้องชักจูงให้เกิด เป็นกุศลหรืออกุศลที่มีกําลังกล้าล้วนะั้นถ้าเราฝึกไปเรื่อยเราหัดรู้กายหัดรู้ใจนะหัดรู้สภาวะไปเรื่อยจนจิตมันจำสภาวะได้แม่นาการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเรียกว่ามีถีระสัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติสติเกิดเองโดยไม่ต้องเชิญให้เกิดไม่ต้องจงใจเช่นเราหัดรู้สึกนะอย่างสายหลวงพ่อเทียนขยับไปแล้วก็หัดรู้สึกตัวไป หายใจไปก็หัดรู้สึกกายรู้สึกใจไปดูท้องพองยุบก็หัดรู้สึกกายหัดรู้สึกใจไปไม่ไปบังคับเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆพุโทโธไปแล้วก็หัดรู้กายรู้ใจไปเรื่อยมีกรรมฐานนานหนึ่งเป็นแป๊กเปล่าไว้ท่านนึงแล้วก็มาคอยรู้กายคอยรู้ใจไปเนี่ยฝึกอย่างนี้นานไปนะจิตมันจําสภาวะได้แม่นพอร่างกายเคลื่อนไหววับสติเกิดจิตเคลื่อนไหวปั๊บสติเกิดนะเกิดเองทันทีที่สติตัวจริงนี้เกิดเนี่ย จิตจะเกิดสา ม, มาสมาธิขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นโดยอัตโนมัติเพราะจิตไม่มีนิวร์ครอบงำในขณะนั้นจิตจะเกิดสมาธิขึ้นม า, ท, านทันทีที่สติเกิดจิตเป็นกุศลจิต ท, ที่เป็นกุศลนี้จะมีโสมนัสเวทนากับอุเบกขาเวทนาจัดไปอยู่ในกลุ่มของความสุขทั้งคูนะ้ความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิพอเรามีความสุขในการทําอะไรเราก็จะมีสมาธิในการทําสิ่งนั้นเรามีความสุขที่ได้รู้กายมีความสุขที่ได้รู้ใจ มันก็จะเกิดสมาธิคือเกิดความตั้งมั่นในการรู้การรู้ใจตรงนี้ก็ต้องเรียนอีกนะจิตที่ตั้งมั่นกับจิตที่ตั้งแช่ไม่เหมือนกันจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยจะเห็นไตรลักษณ์จิตที่ตั้งแช่เข้าไปเกาะนิ่งๆอยู่กับอารมณ์เช่นรู้ลมหายใจก็ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ท้องฟองยุบไหลไปอยู่ที่ท้องเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้าอันนี้เรียกว่าจิตเข้าไปตั้งแช่อ ย, อยู่กับตัวอารมณ์ เมื่อใดจิตเข้าไปเกาะอยู่กับตัวอารมณ์นะเรียกว่าอารามันูปนิชฌานคือการทําสมถะกรรมฐานงั้บางคนยกเท้าย่างเท้าไปเรื่อยนะตัวลอยตัวเบาตัวโครงรู้สึกวูบบุบบ้าบ้อนะไรอันนั้นไม่ใช่วิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณเป็นชื่อของปัญญาไม่ใช่ชื่ออาการทางร่างกายเป็นเรื่องของปัญญาอันนั้นเป็นผลของสมถะทั้งสิ้นอย่างที่เรากําหนดเท้าไปเรื่อยกำหนดท้องกําหนดลมไปเรื่อยเกิดสมถะนะมีปีติขึ้นมา เกิดขนลุกขนชันตัวลอยตัวเบาตัวโครงตัวเล็กตัวใหญ่ตัวลอยคนลอยนะลอยจริงๆเลยลอยทางสรีระลอยขึ้นจากพื้นอันนั้นเป็นผลผลของปีติทั้งสิ้นเป็นผลของสมถะงันเราต้องรู้จักนะ้าจิตชนิดไหนมันเป็นสมถะจิตชนิดไหนเป็นวิปัสสนาต้องเรียนนี่เวลาใกล้หมดก็พูดย่อๆละถัดจากนั้นก็จเจริญปัญญาสิกขา วิธีเจริญปัญญาศิกขาก็คือเรามีสตินะรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจที่กําลังปรากฏด้วยจิตที่ตั้งมั่นมีสมาสมาธิเนไเรามีสตินะรู้ทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นในกายในใจในระหว่างที่รู้ทุกสิ่งที่ปรากฏในกายในใจนะจิตตั้งมั่นมีสมาสมาธิจิตสักว่ารู้สักว่าเห็นจิตไม่ถล่มเข้าไปจมไปแช่อยู่กับอารมณ์ใดๆถ้าหากขาดสมาสมาธิปัญญาจะไม่เกิด จำไว้นะเพราะว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเนี่ยอภิธรรมสอนเป๊ะๆ เ, เ, เลยนะหลวงพ่อเมื่อก่อนไม่ได้เรียนอภิธรรมแบบภาวนาวภาวนาวจนพออกพอใจแล้วก็เอาเอภิธรรมมาศึกษาพบว่าโอ้อลังการย์นะรงกันเป๊ะๆ เ, เ, เ, เลยแต่ถ้าเราไม่ได้ภาวนาก่อนเราไปเรียนอภิธรรมเราจะตีความตามกิเลสของเราตีความ อย่างเวลาทุกให้รู้บอกให้รู้สภาวะของรูปนามนะพอลงมือปฏิบัติจริงจะไม่รู้อ่ะจะไปกําหนดเอาเป็นอย่างนี้เหมือนกําหนดเลยนั้นคนที่เรียนอภิธรรมมากๆเวลาลงมือปฏิบัติไปติดสมถะได้อีกแปลกเพราะว่าไม่เห็นสภาวะแต่ถ้าเราเรียนสภาวะให้แจ่มแจ้งซะก่อนนะภาวนาเราเข้าเข้าใจแล้วเราไปทบทวนเปรียบเทียบด้วยตําราเนี่ยพบความอัศจรรย์ว่ามันตรงกันเป๊ะเลยปริยัติปฏิบัติปฏิเวชนี่อันเดียวกันเลย ตรงกันเป๊ะๆยกเว้นตำราชั้นหลังๆนะตำราที่แต่งเติม่มเติมขึ้นมาทีหลังก็มีเยอะเหมือนกันอย่างพูดเรื่องหาทยรูปหาทยวัตถุเป็นน้ำเลี้ยงหัวใจสีต่างๆเขาผ่าหัวใจแล้วก็ไม่เจอนะอัน <c oughs> นั้นมันตำราชั้นหลังๆแล้วนะในพระไตรปิฎกไม่มีคำว่าหาทยรูปมีแต่คำว่าหาทยะ นี่เราใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมานะมีสัมมาสมาธิสักว่ารู้สักว่าเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดดับไปมีสติรู้สภาวะที่ปรากฏสติเวลาระลึกรู้รูปจะรู้ลงปัจจุบันนะระลึกรู้นามจะตามรู้โดยเฉพาะนามที่เป็นอกุศลเนี่ยสติจะไประลึกในขณนะนั้นไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะในขณะที่อกุศลเกิดเนี่ยสติจะไม่เกิดจะเป็นการตามรู้ แต่ตามรู้แบบกระชั้นชิดนะเห็นหางของกิเลสไหวๆเพิ่งดับไปไหวๆวนีเรารู้ขึ้นมาการตามรู้แบบกระชั้นชิดอย่างนี้เรียกว่าปัจจุบันสันติเป็นปัจจุบันสันติถือว่าเป็นปัจจุบันเหมือนกันแต่เป็นปัจจุบันสันติไม่ใช่ปัจจุบันขณะส่วนการรู้กายอะไรอย่างนี้รู้ลงปัจจุบันขณะได้รู้ได้รู้เวทนาใช่เราพอรู้ได้ ดูลงไปมันกําลังปวดอยู่รู้ว่ากาลังปวดอยู่รู้ได้อยู่เพราะันรู้รูปนะรู้ลงปัจจุบันนะรู้จิตรู้ใจแต่เมื่อก็ตามรู้เอาตามรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่ก็จะเห็นเลยทุกสิ่งที่จิตรู้เนี่ยไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีพอใจเราตั้งมั่นขึ้นมาแล้วปัญญาจะเกิดปัญญาจะเกิดปัญญาเห็นอะไรปัญญาเห็นไตรลักษณ์จำไหมนะสติเห็นอะไรสติเห็นสภาวะของรูปธรรมนามธรรม ปัญญาเห็นลักษณะปัญญาเห็นไตรลักษณนะ์ไม่ใช่มีปัญญารู้ว่านี่มือนี่เท้านะนี่ไม่ใช่ปัญญาปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นนี่เป็นรูปไม่ใช่เรารู้สึกได้หลายคนอย่างสาวนี่เมื่อมาอยู่วัดนีมาเล่าให้หลวงพ่อฟังวันหนึ่งเห็นเฟื่องฟ้าปุ๊บขนาดที่ตามองเห็นเห็นรูปไม่รู้ว่าอะไรนะเสร็จแล้วสัญญามันปรุงขึ้นมานี่ต้นเฟื่องฟ้าดอกเฟื่องฟ้าไหม ขณะที่เห็นรูปกับขณะที่คิดขึ้นมาคานละนขณะที่รู้ปรมามัดกับขณะที่รู้บัญญัติคนละขณะกันพอเห็นตรงนั้นแล้วอะไรเกิดขึ้นจิตสะทานสะเทือนบัดไหวขึ้นมาตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีมมโลกธาตุทั้งหมดนี้ทั้งตัวเราทั้งสิ่งภายนอกทั้งคนทั้งสัตว์อื่นๆทั้งหมดนะล้วนแต่เป็นรูปธรรมและนมามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นตัวเราไม่มีถึงขนาดร้องห่มร้องไห้ออกมาเลยตัวเราหายไป เนี่ยถ้าจเจริญสตินะแล้วก็มีสัมมาสมาธิถูกต้องนะปัญญามันจะเกิดเห็นไตรลักษณ์พอเห็นไตรลักษณ์ด้วยจิตใจที่มีคุณภาพแบบนี้มันจะสะทานสะเทือนเข้าถึงจิตถึงใจไปลบล้างกิเลสได้ถ้ารู้เราเราไม่ถึงจิตถึงใจนะรู้ด้วยการคิดเนี่ยเข้าสมองไม่เข้าใจเนี่ยล้างกิเลสไม่ได้เพราะกิเลสไม่ได้อยู่ในสมองนะกิเลสอยู่ในจิตในใจนี้เนั้นต้องจเจริญสตินะ มีศีลศึกษาเรื่องจิตให้ถ่องแท้จนรู้ว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลอกุศลชนิดไหนใช้ทำสมถะชนิดไหนทำมิปัสสนาแล้วมาเรียนเรื่องการเจริญปัญญารู้ว่าการรู้รูปรู้วงปัจจุบันไปการรู้จิตรู้ใจตามรู้ไปเรื่อยๆนะตามรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่ก็จะเห็นไตรลักษณ์มิปัสสนานั้นไม่ใช่การรู้รูปนามจำไว้นะมิปัสสนาไม่ใช่การรู้รูปนาม การมีสติรู้รูปนามเป็นแค่สมถะต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถึงจะเป็นวิปัสสนาะไม่งั้นอย่างขึ้นไม่ถึงวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามเห็นว่ามันเกิดแล้วมันดับไปมันมีแล้วมันไม่มีเห็นว่ามีแล้วมันไม่มีไม่มีแล้วมันมีขึ้นมานี่เรียกว่าเห็นอนิจจังนะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกถูกบีบคั้นตลอดเวลานี่เรียกว่าเห็นทุกขังทุกขลักษณะ เห็นว่าสภาวะทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราอย่างรูปเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานามาทำทั้งหลายมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่การบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรานี่เรียกเห็นอนัตตาอนัตตาของรูปกับอนัตตาของนามนะมีมุมที่เหลื่อมกันนี่สิ่งเหล่านี้ต้องเข้าใจนะแต่ถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกแล้วการปฏิบัติจะง่ายนิดเดียวเลยง่ายที่สุดเลย ง่ายถึงขนาดที่ว่าไม่ต้องทำอะไรนะถึงขนาดที่ว่าไม่ต้องทาอะไรเราเห็นรูปเห็นกายนี้ทำงานเราเห็นจิตนี้ทำงานแต่เราไม่ทำอะไรเราแค่เห็นแค่รู้นะั้นในสติปัฏฐานเนี่ยมีแต่คำว่ารู้มีกิริยาอยู่คำเดียวคือคำว่ารู้นะหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้นยืนเดินนั่งนอนก็รู้สุขทุกข์เฉยๆก็รู้เป็นกุศลอกุศลก็รู้เหลือคำเดียวคือคาว่ารู้ เราฝึกจนกระทั่งเราเข้ามาถึงคำว่ารู้นะรู้อย่างเดียวรู้รูป ร, รู้นามรู้อย่างที่เขาเป็นนะไม่ใช่ฝึกกำหนดนะกำหนดมนจะไปนิ่งไปแช่ใช้ไม่ได้หรอกทำปิดแน่นอนั น, นเป็นสมรรถะไปนะ้าไปเราฟังทีเดียวไม่รู้เรื่องก็เอาซีดีไปฟังนะเรื่องที่เทศให้ฟังเนี่ยนะคือขอบเขตที่เราต้องศึกษาทั้งหมดเลยนะไปเรียนเอานะเอาวีมุติมัคไปอ่าน อ่านยากนิดนึงอดทนฟังซีดีไปเรื่อยแล้วจะอ่านง่ายถ้าไม่ฟังซีดีเลยอยู่ๆไปอ่านอ่านยากฟังซีดีไปเรื่อยหลวงพ่อไล่จี้คนนั้นไล่จี้คนนี้นั่นแหละฟังไปเรื่อยๆแล้วจะเข้าใจวิมุติมักเป็นเรื่องประหลาดไหม <c oughs> เชิญไปทานข้าวนี่มนครับนี่มน